อัลกุสซัลลัมอัลลอฮุรราะห์มานุรรฮิยิมอัลฮะบบุริลลาฮิรับบินอัลลอมิรับบิหินัสต้าอิลลาฮาวัลลอฮิอัลกูรอติอัลลอฮิลลัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลาห์อันลอฮิอัลมาฮิอันลอฮิอัลลอริอักลอฮิอัลลอฮิอัลลนฮิอับลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลนฮิอัลลอฮิอัลาอฮิอันลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิกัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอั สอสแทบไว้ในบทเรียนที่ Allah อัลลอ์สุบฮานะฮัวตาลาเป็นผู้คัดเลือกให้โดยตรงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมกับมีการเล่าที่สวยงามเพราะเป็นการเล่าจากอัลลอฮ์อย่างที่พวกได้บอกนะครับว่านะนุนอกุสซาเลกะอาฮัสนั่นก็สเราจะเล่าให้แก่เจ้าเนี่ยฟังด้วยการเล่าที่ดีที่สุดดังนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่เล่าได้ดีกว่าอัลล์และไม่มีเรื่องราวใดที่ ใครจะสามารถเก็บรายละเอียดได้ดีเหมือนที่อัลลอฮฺเกได้เก็บรายละเอียดไว้ให้นะฮะดังนั้นการศึกษากุรอานนอกจากการได้รับเนื้อหาที่ครบถ้วนแล้วยังเป็นการได้รับบทเรียนในการนําเสนอในการเรียงร้อยถ้อยคําอย่างสวยงามอีกด้วยที่อัลลอฮฺได้บอกในตอนต้นของสุรฮูดเองนะฮะว่าเอาจุบิละฮิญะเชตอนโรจีมกิตาบุนอหคกีมัตอายาตูคำพีเล่มหนึ่งที่ อายะของมันเนี่ยถูกร้อยเรียงอย่างดีอุฮ์กีมัตอายะตูบูอุลมานจึงบอกว่าอันกุรอานเราจะอ่านแบบเรียงอายะสับไปสับมาเนี่ยไม่ได้เรียงอายะสับไปสับมาไม่ได้จําเป็นต้องเรียงอายะตามที่ถูกระบุในอันกรุรอานเนื่องจากการเรียงลําดับคําและการเรียงลําดับอายะคําอย่างเช่นว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามี เราจะมาบอกว่าลิลล่ฮิลัมดูรบบินอาลมีไม่ได้ในความหมายดูเหมือนจะใกล้เคียงกันก็ตามเพราะว่าการเรียงคำมาจาก Allah ในเช่นเดียวกันการเรียงอายะมาจาก Allah หมายถึงเราจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลล่ฮิรับบินอาละมีอัลรอ์มานรฮมเราจะสลับไปสลับมาเนี่ยไม่ได้อัลฮัมดุลิลล่ฮิรับบินอาละมีมาลิกิยมิดดีอัร์มานรฮมอยก็นบุไม่ได้แม้ว่าจะ เป็นลักษณะของอัลลอ์ทั้งสิ้นก็ตามนะฮะจากนั้นอัลลอฮ์จึงบอกอัคกีมัตอายาทูฮการเรียงร้อยอายะเนี่ยมาจากอัลลอ์ถูกเรียงร้อยอย่างดีและมีความมหัศจรรย์เห่ือมากมายนะฮะในอันกุรอานมีการเรียงร้อยที่สวยงามเหมาะสมคำที่อัลลอ์คัดเลือกในการใช้เนี่ยก็มีความเหมาะสมอย่างเช่นจะยกตัวอย่างที่อัลลอ์ได้กล่าวในสรษะอัลบรารอที่พูดถึง การที่จะให้นบีอาดัมเนี่ยเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกนุญญานี้บอกกับบรรดามาลากาเราใช้คาว่าตอนตอนหน้าตอนต้นของหน้านะฮะวอิอลรับบูกะใช้คาว่ารบบูกะช่วงกลางของหน้าว่อิุลนาลินมาลายกาว่อิศกาละรับบูกะลินมลายกาอันี่คือตอนต้นตอนกลางว่อิุลนาลินมาลายกา ตอนเราลบผู้กานแปลว่าพระเจ้าของเจ้าได้กล่าวกับบรรดามาเลกาว่าวว่าอิสุลเ น, นีแปลว่าเราได้กล่าวกับบรรดามาเลกะซึ่งเราหรือพระเจ้าของเจ้าหมายถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวละทั้งสิ้นเ <c oughs> ช่นเดียวกันแต่ว่าเราใช้คำเนี่ยหน้าเดียวกันแต่ใช้คําไม่เหมือนกันย่อมมีความหมายอันนี้จะาบงบอกว่าการสื่อสารกุรานแบบให้ควร และการได้รับบทเรียนจากการนำเสนอแบบละเอียดรอบครอบที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยอุฮ์ ح, ีมัตอายาตูฮูแบบมีฮิกมาแบบรอบครอบนะจำเป็นจะต้องมีการเ อ, อ่อนำเอาอุลแอนตามที่อัลลอฮ์เนี่ยบอกตามที่อัลล์เนี่ยเป็นรับคำเนี่ยมาจากอัลลอฮ์ทำไมจะเป็นกอละรับบูกะกาของบันนมริกาเหมือนกันเนื่องจากที่อัลลอฮ์กล่าวเนี่ยช่วงตอนกอละรับบูกะนะฮะเนื่องจาก อัลลอฮ์จะบอกว่าถ้าจะให้มีตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้อาจจะทําให้ผู้ฟังเนี่ยสงสัยคิดว่าอัลลอฮ์กำลังปรึกษากับบนนราดาไมเลกาหรืออัลลอฮ์ไม่ได้มีอำนดจเด็ดขาดหรือทั้งทั้ ท, ที่เป็นไปไม่ได้ดังนั้นคําว่าร็อบบูกาเนี่ยความหมายของมันก็คือผู้ผู้ดูแลผู้บริหารจัดการแบบเสร็จเป็นเสร็จเด็ดขาดดังนั้นเนี่ยจึงทําให้เราไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่า รับผูก้าจะต้องปรึกษาใครพระเจ้าเป็นผู้บริหารจัด ก, การเนี่ยคำของมันหนึ่งก็คือบอกนัยะแล้วว่าเอลาอเป็นผู้บริหารพระเจ้าของเจ้าผู้ดูแลชีวิตของท่านนบีสุลต่า น, นเนี่ยไม่จำเป็นต้องปรึกษาใครดังนั้นเนี่ยก็เลยขจัดความสงสัยไปได้ว่าโอิยกอล้รับผู้ก้าก็คือผู้บริหารจัด ก, การชีวิตท่านนบีและสักสารลโลกเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ในการที่จะจัดการโดยที่ไม่ต้องปรึกษาใคร แต่เราบอกให้กับบรรดามาเลกันเนี่ยรับทราบอันนี้คือหนึ่งแต่เราใช้คาําว่าอิสกนลรอบบูกะส่วนครึ่งหลังเราใช้คำว่าอิสปุนนาเนื่องจากคําสั่งของอัลลอฮ์กับบรรดาม า, าเลกันนี่ก็คืออุสจูดูหรอาดัมจงสุ่อยู่ต่ออาดัมซึ่งการสื่อยู่ต่ออาดัมเนี่ยอาจจะส ร, สร้างความสงสัยให้แก่คนอา่านว่าเป็นการอิบารดาต่ออดาดัมหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนเพราะอุนนาเนี่ยแปลว่าเรากล่าว ในทางภาษาเนี่ยหรือ อ, อ, อุล玛เก็จะบอกว่านาหรือสัพนานที่เป็นหนาหูหรือนานะฮะในภาษาอังกฤษ litazim เพื่อสแสดงความมีใหญ่ของอัลลอฮ์นั่นสแสดงว่าที่บอกสยูตต่ออาดัมเนี่ยบ่งบอกถึงการสแสดงความมีใหญ่ของอัลลอฮ์ที่รบรรดาบริการสยูตเนี่ยคือเทอิดเกียรติอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลาะดังนั้นเนี่ยจึงใช้คําว่าปุณณ์ําแหน่งนี้จึงเหมาะกับคําว่าคุณณ้นนี่คือความมหาศาลของอันกุรอานด้านคํา แลัมมีอีกหลายตำแหน่งในอัลกุรอานดังนั้นเนี่ยเอาเราจรึงบอกตอนต้นของสุรฮูดถ้าเราจำได้นะฮะกีตาบุลุฮกิมาตอยยาุฮูคัมพีเล่มหนึ่งที่ถูกร้อยเรียงอย่างดีคำหรืออายะของคำพีเล่มนี้ถูกร้อยเรียงอย่างดีซุ่งมาฟุตซีละหลังจากนั้นก็ถูกแจกแจงอย่างละเอียดละเอียดนั่นแสดงว่าเนื้อหาในอัลกุรอานเนี่ย เนื้อหาใดที่เป็นเรื่องราวของนบีท่านใดเนี่ยอัลลอฮ์แจกแจงอย่างละเอียดทุกเรื่องที่เราจําเป็นต้องรู้เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะกล่าวเอาไว้นะฮะดังนั้นการศึกษาของเราเนี่ยคือได้ทั้งรายละเอียดที่จําเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นอัลลอฮ์ไม่กล่าวสิ่งที่จําเป็นอัลลอฮ์ก็กล่าวไน่นนดังนั้นคือได้รายละเอียดและสองก็คือศึกษาจากวิธีการนําเสนอสวยงามมากการนําเสนอในอัลกุรอานเป็นสิ่งที่ สวยงามและน่าที่จะนําไปเรียนแบบอย่างเช่นส่วนหนึ่งในบางอายะในสรกอกรฟิทเป็นต้นนะฮะเป็นศิลปะในการนําเสนอที่มีความสวยงามและเป็นศิลปะในการโต้เถียงด้วยสิกงที่ดีกว่าผู้ศรัทธาแห่งวงวางของฟาโร่เนี่ยศรัทธาตอนน่อเนมีมูซาอยู่ฝั่งนมีมูซาแต่โต้เถียงกับกลุ่มชนของตนเองคือ ฟาโร่ชาอุกิปตีทั้งหลายใช่ไหมเขาเนี่ยไม่ได้แสดงตนว่าเป็นพวกของนบีมูซาก่อนในครั้งแรกแต่แสดงตนว่าเป็นพวกของฟาโร่ก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจว่าฉันเนี่ยเป็นพวกกับทุกท่านนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่อยแสดงเหตุผลในฝัาของนบีมูซาอะลัยส์ละวัยเยงูกาซีบันฝ่าอะไรฮิกัซิบุเขาก็บอกกับกลุ่ชนของเขาเนี่ยลงมถึงฟินฟิรูด้วยบอกว่าหากเขาไปถึงมูซาเนี่ยโกหกอันนี้สมมุติฐานให้ เข้าข้างกลุ่มฟาโร่ก่อนเขาจะได้ไม่สงสัยว่านี่ท่านละเอียงกับมูซารหรือเปล่าสมมติฐานเะนี่ยเข้าข้างฟาโร่ก่อนว่าอียะกูการีมันฟาอะไรที่การศึกษถ้าเขาโกหกแน่นอนเขายอมได้รับรองรับผิดชอบจากการโกหกที่เขาได้โกหกขึ้นว่าอียะกุซอดีคอยแต่ถ้าหากเขาเนี่ยพูดจริงความจริงบางประการก็จะประสบกับพวกท่านอย่างแน่นอนอันนี้ก็เป็นความสวยงามของอัลกุรอานนะฮะแล้วก็ การหยิบยกมาที่อัลลอสุบฮานะฮัวตานำเสนอเนี่ยแน่นอนว่าในตัวอายะฮ์ในอุปกาณเองในการให้ควรเองนะครับเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ากุรกาณเนี่ยมาจากอัลลอ์เพราะลอตี่บอกอฟาลายตะดบรรนั้นอุรกาณพวกเขาไม่ให้ควรอันอุานดอกหรือวาลาวกานะมินอินดิไวยรินลาฮิล้ว่าชะดูฟีฮ์ติลฟัดกัีรอ เพราะหากว่ามาจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์มินอิดดิกรยรินแล้วอื่นจากอัลลอฮ์แล้วว่าจะดูฟรจะพบในกุรานนี้อิคตีลาฟันกะทีเราขัดแย้งกันมากมายแต่ศึกษาในกุรานเนี่ยไม่พบความขัดแย้งมากกว่านั้นคือยิ่งศึกษาแล้วจะยิ่งมีเนื้อหาแต่ละส่วนเนี่ยซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรืออธิบายซึ่งกันและกันนี่คือความมหัศจรรย์ที่เราสุภาษณ์เอาหัวตาลาให้ และเกิดความง่ายดายในการที่เราจะศึกษานะครับวันนี้เราศึกษาต่อนเนื่องหลังจากที่อเลสุปทานะหัวแตเราได้กล่าวถึงกลุ่มชนสองกลุ่มเป็นบทสรุปหลังจากที่กล่าวถึงขวอริศาสตรของนบีและกลุ่มชนของท่านต่างๆมาตลอดเลยนะฮะอเลสได้มาสรุปว่ารวนเกียมะจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นผู้มีความทุกข์ ตั้งแต่ในดุนยานี้มีความทุกข์เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของหรอและกลุ่มที่มีความสุขอันเนื่องจากการปฏิบัติตามคําสั่งของ Allah. มีความทุกข์ในโลกนี้ก็จะ ม, มีความทุกข์ในโลกหน้าอีกครั้งน่งอัมมัลมมลัีนะฟะมัลลัีนะชะกูสําหรับคนที่ชะกูนี่คือมีความทุกข์ฟาฟินนัตจะได้อยู่ในโรกส่วนวะอัมมัลลัีนะซูอิดูสําหรับคนที่ได้รับความสุข ฟาฟินันนะเขาจะอยู่ในสวรรค์ แ, แสดงว่ามุ่ผู้ศรัทธาเนี่ยคือต้องเข้าใจการปฏิบัติตามหลักการที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยทำให้มีความสุขและความสุขนี้เริ่มตั้งแต่ในโลกนี้แล้วก็จะเรื่อยไปถึงในโลกหน้าเช่นกันนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้นําเสนอแล้วว่าผู้อยู่ใ น, ในโลกในโลกตลอดการสำหรับผู้ปฏิเสธและมีความทุกข์สําหรับคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ปฏิบัติคุณงามความดีจะได้อยู่ในสวรรค์ตลอดการเช่นกัน อาตออันวรามาจุดรูเป็นการตอบแทนแบบไม่ขาดตอนหลังจากนั้นในอายะที่109นะครับจะศึกษาการนี้109ถึงประมาณ113นะครับอินชาอัลล์อูซุบิลลาฮิมนชอนโรจิมฟลาตักฟมิริยติมิมมายาบุดูฮาอุลามายาบุดูนั ما يعبدون إلاكما ي ع ب د ُ آباؤهم من قبل، وإننا لم وفّوهم نصيبهم غير منقص، ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فختلف فيه، ولو ل كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ُ ر ي ب وإن كل لما ل َ يوفي أنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبيث فاستقِم كما أمرت و َ م َ ن تَبَعَكَ وَلَا ت َ ط ْ فاستقِم كما أمرت و َ م َ ن تَبَعَكَ وَلَا ت َ ط ْ ل إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّاسُ นาร์ว่ามาลคุณไม่ดูนิลาฮิินเอาวลิยอาอะุมมลาตุนซรูลแะสุขภาพนี่เขาจะดีขึ้นนะที่ร้อยก้าว่าฟลาตุกฟีมิรียติมมิมายาปูดุฮ่าอุละดังนั้นเจ้าใหญ่ได้สงสัยในการที่พวกเขาเหล่านั้นเขารพบูชาเลยในสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ย คาร์บูชาเลยต่อสิ่งที่พวกเขาเคาร์บูชาเลยมายาบูรุนอิลละกัมายาบูรุอาบอูมินพวกเขาไม่ได้อิบายนะอื่นจากอัลลอฮ์นอกจากดังเช่นที่บรรพบุรุษของพวกเขาในสักการะมาก่อนอั น, นี้อัลลอฮ์มาโฟกัสหรือว่าให้ประเด็นว่าที่พวกเขาสักการะเนี่ยไม่ใช่อะไรนอกจากตามบรรพบุรุษที่เคยสักการะมาก่อนว่าอินนาและแน่นอนเราหมาถึงอัลลอฮ์ ละมวลฟูหุมจะตอบแทนพวกเขาอย่างสมบูรณ์นซีบาหุม่มการกระทําของพวกเขาไวรมังกุสโดยที่ไม่บกครองแต่อย่างไดมังกุสนี่คือนักสนักสแปลว่าบกครองโดยปราศจากการบกครองและแสดงว่าตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามสิ่งที่พวกเขาได้กระทำในอายะนี้อัลลอฮ์สั่งให้ท่านอบดเบี๋ยเนฟาลาตะกุบเจ้าอย่าได้เป็นผู้ที่ฟีมิตรยาตินอยู่ในการสงสัย ต่อสิ่งที่มิมายาบูดูฮาอุละพวกเขาสักการะหมายถึงว่าบางทีอาจจะสร้างความสงสัยเนื่องจากความดื้รั้นในการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺคือบางทีเนี่ยสิ่งที่เป็นความเท็จถ้าหากว่าถูกยืนยันบ่อยๆคนก็จะเข้าใจไปในตามนั้นนะครับอย่างเช่นที่สิ่งอื่นที่สมมติว่าเรโทษติดนี่หนาวหนาวอะไรนะครับ น้ำมานาวสมมตินะคคนแบบว่าพูดไปเรื่อยๆว่านี่คื อ, อ, อชายเย็นแรกๆนี่อาจจะไม่เป็นไรนี่มีทางจิตวิทยาเนี่ยเขาพูดถึงนะครว่าบางทีเนี่ยคนแบบว่าหลอกไปเรื่อยๆยิ่งคนแรกเนี่ยหลอกนะว่านี่คือชายเย็นสมมตินะแล้วเพื่อนอีกคนนึ่งมาบอกว่าเออนี่คือชายเย็นไปเรื่อยๆเนี่ยครั้งแรกเราเชื่อว่าเป็นน้าน้ำอนะไรทั้งชามะนาวใช่ไหมหรือน้ำอนะไรน้ำพุ่งมะานาวอ่า แรกๆเนี air, e e. ่คือเราเชื่ออย่างไงเราเห็นมันชัดเจนนะฮะมันไม่ใช่ชัไม่ใช่แบบนี้แต่เวลาคนบอกเรื่อยๆเนี่ยคนบอกเรื่อยๆคนแรกเราบอกไม่ใช่คนสองไม่ใช่คนที่สาแต่เริ่มเป็นคนที่สิบนะเราจะเริ่มสงสัยเอ๊ยหรือว่ามันใช่หรือไม่ใช่เอ๊หรือว่าใช่จะเริ่มสงสัยจนกระทั่งสุดท้ายถ้าคนทั้งทังพมหรือคนส่วนใหญ่บอกเนี่ยเราจะคล้อยตามสังคมว่าเออหรือว่ามันจะใช่เช่นเดียวกันต้นไม้คือต้นไม้ใช่ไหมฮะต้นไม้คือต้นไม้ แต่คนเอาอะไรมาผูกอะไรบังอางกลายเป็นเริ่มเป็นสักข ส, สักการะแล้วเริ่มเป็นพระเจ้าวเริ่มขัง แ, แรกๆก็อาจจะไม่สงสัยอะไร น, นี่คือสไตล์เดียวกับสมัยนาบินว่า อ, อาลีสลาสิงโกโหกเนี่ยถ้าถูกโกหกบ่อยๆย้ำเตือนบ่อยๆเนี่ยก็คนก็จะเชื่อโดยบริยายนี่ก็คือที่มาของโฆษณาชวนเชื่ออย่างษณานี่คือมันก็มีหลายแบบสิ่งที่เป็นความจริงก็มี แต่บางครั้งนี่คือถ้าโกหกบ่อยๆหรือพูดไปประจําสม่ำเสมอเนี่ยขนาดเอาง่ายๆว่าต้นไม้เนี่ยก็กลายเป็นทุเจ้าได้อัลลอฮ์สุบฮ า, านะฮุวาแต่ว่าฟาลาตุกฟิมเรียนแต่เจ้าเนี่ยจงหยาสงสัยตามที่คนจํานวนมากส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิเสธต่อและสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อย่าสักการะแล้วอัลลอฮ์ก็ได้บอกให้คิดแบบเที่ยงตรงให้คิดอย่างเที่ยงธรรม ถ้าดิกระดีนุนคอยยิ้มสสนาข่อัลลอฮฺที่สัสนะอันเที่ยงตรงคิดยังไงแบบเที่ยงตรงดูซิว่าสิ่งที่พวกเขาสักการะนี่คืออะไรมายะาบูดูนะพวกเขาไม่ได้สักการะนอกจากกามายาบูดูอาบาวุ่มนครเช่นเดียวกับที่บรรพบุรุษของพวกเขาเนี่ยสักการะมากกว่านี้คือแบบตรงประเด็นมากถ้าคิดแบบเที่ยงตรงนะฮะเราจะไล่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต้นไม้นี้เนี่ยเราเป็นพระเจ้าใช่ไหมฮะถ้าเราไล่ไป มันเป็นพระเจ้าเกาะตอนไหนถ้าไล่ไปดีๆบางทีคนเนี่ยเพรว่ามันมันมันหลายชั่วอายุคนแล้วเนี่ยเขาสักการะกันมาเรื่อยๆถูกไหมฮะเขาเอ่อทำกันมาต่อๆกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นขลังมีความน่ากลัวในตัวแต่เราเราไล่ไปมันต้องมีจุดเริ่มเริ่มตรงไหนมันเกิดมาเป็นต้นไม้ที่งอกออกมาแล้วก็มีผ้ามาห่มเลยหรือเปล่าถ้าเราคิดต่อไปอ๋อมันต้องมีวันหนึ่ง ที่คนใดคนหนึ่งยุคใดยุคหนึ่งซึ่งเป็นอาจจะก่อนหน้านี้เข้ า, เาผ้ามาผมก็แสดงว่าเนี่ยเกิดขึ้นอันเนื่องจากบรรพบุรุษหรือคนก่อนหน้านี้เนี่ยทําลักษณะเช่นนี้มาก่อนดังนั้นเจ้าอย่าสงสัยว่าสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าหรือเปล่าเพราะมันชัดเจนแล้วว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมาจากร่องรอยน้ํามือของบรรพบุรุษที่เคยทํามาแต่เก่าก่อนไม่ได้มาจากเะอเนี่คือคาพูดให้ายกับที่นบียูซุฟอะเลสแลงกล่าวว่าคนที่อยู่ในคุก มาตั้งบูดู น, ม น, ดนัมินดูนิมินดูฮิอิลาอลาอิลลาอัสมาอันสมัยตูมูฮัมพวกท่านไม่ไน้สักการะสิ่งอื่นนอกจาก AH. อัลลอฮ์อิลลาอัสมาอันนอกจากชื่อที่พวกท่า น, นตั้งขึ้นชื่อสมัยตูมูฮาพวกท่านตั้งเองอันตุลพวกท่านวาบาอุตุมหรือบรรพบุรุษแล้วก็เป็นความจริงที่มันเป็นพระเจ้าไม่ใช่เนื่องจากที่มันเป็นพระเจ้าตั ว, ตวของมันเหมือนกับที่บอกว่าที่เป็นชายเย็นเนี่ย ไม่ใว่าเพราะมันตัวมันเป็นชายเย็นเพราะคนเนี่ยมามาใส่ชื่อแ ต, ตั้งชื่อให้แล้วคนเนี่ยพอเวลาพูดซ้ําไปซ้ามาบ่อยก็ทำให้ให้เชื่อตามนั้นนะนั่นนี่คือเที่เราสุภาษิตหัวใจเราอย่าได้สงสัยแล้วทำไมทาไมไม่สงสัยสงสัยยังไงแบบว่าและเราก็จะเชื่อตามที่เออบรรพบุรุษหรือเปล่าแต่เราเชื่อแบบบีเหตุผลเนื่องจากว่าที่พวกเขาสักการะเนี่ย สักการะตามที่บรรพบุรุษสักการะมินตบลก่อนหน้านี้แล้วเราก็บอกว่าวอินละมัวฟูและเราจะตอบแทนพวกเขาทั้งหมดเลยทั้งตัวพวกเขาปัจจุบันแล้วก็ก่อนหน้านี้คือบรรพบุรุษเนื้อซีบะฮุตามสิ่งที่พวกเขาเนี่ยขวนขวายเอาไ ว, ไว้ไล่เรมังกูสโดยที่ไปปกพรอง แ, แสดงว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะรับผิดชอบส่วนที่ตนเองมีความเชื่อส่วนที่ตนเองมีความศรัทธา อุบัติลงขึ้นมาคือมันมันจะกลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่มันมันจะมีช่วงถ้าสมมติว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์ไข่เนี่ยจะกลายเป็นไก่เมื่อไหร่ก็คือเมื่อมันจะคลอดออกมาหรือว่ามันจะทองเปลือกออกมานีิมันจะมีช่วงเปลี่ยนนะต้นไม้ต้นไม้กลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่เรามาดูจะกลายเป็นพระเจ้าหรือก้อนหินกลายเป็นพระเจ้าเมื่อไหร่มันก็จะมีเวลาชัดเจนมันต้องมีเวลาไม่ยืนยันมาเป็นพระเจ้าเลยใช่ไหมฮะ ต้องมีเป็นหลแล้วเมื่อไร อ, อ๋อเมื่อคนนั้นเนี่ยสถาปนาให้สิ่งนี้สิ่งนั้นเป็นพระเจ้าเอ๊ะถ้ใช่อ่ ะ, สะแสดงว่าที่เรากำลังสักการะนี่คือทำสถาปนาของคนหรือมนุษย์ด้วยกันในมีวิสุตถึงให้คาว่าอิลอัสมาลมันเป็นการตั้งชื่อที่พวกท่านตั้งกันขึ้นมาสแสดงว่าที่สักการะในมิยิสุติย์ให้นิยามแบบสวยงามมากคือสักการะชื่อที่พวกท่านตั้งกันขึ้นมา ตัวของมันเนี่ยไม่ใช่แล้วมันไม่เคยกล่าวอ้างสิ่งเหล่านี้ต้นไม้ไม่เคยกล่าวอ้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สิ่งถูกสร้างไม่เคยกล่าวอ้างว่าอานเรา บ, บุกุมูลาลาชันคือพระเจ้าจงสักการะต่อชันไม่เคยทั้งอ้างว่าชันคือพระเจ้าไม่อ้างว่าชันจงสักการะต่อชันไม่ได้เชิญชวนไม่เคยสักครั้งหนึ่งเชิญชวนบอกว่าจงมาสักการะต่อฉันนะฮะและนี่ก็คือเอ่อทำสัมทับจากอลรรห์ว่าย่าสงสัยเรื่องนี้ชัดเจน เรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าห้าสิบห้าสิบรือวคลุมเครือแต่มันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปสามารถพิสูจน์ได้มาจากไหนนะาออินนาละบวฟูหุาซีบาฮุมไวรมันกูสเราก็บอกต่อไปว่าพระพุทาในนามูุสันกิตายกตัวอย่างนี้กุลมาบอกว่ายังคงเป็นการตัสเลียยังเป็นการสร้างความใจให้กับท่านนมีซอลลร์อะไรอะ ว่าว่เราก็ จ, จะอาตาอนามุสันกิตาบความจริงแล้วและความจริงแล้วเราได้ประทานแก่มูซาซึ่งอัลกิตับคือคำพิอัตโตรอกิตาเบตโตรอเราประทานแก่มูซาฟัคตุลีฟฟีแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันขัดแย้งกันคือบ้างก็ศรัทธาบ้างก็ปฏิเสธศรัทธานะฮะนี่อตบารีเนี่ยได้กล่าวว่า อัลลอฮ์เนีตอบใจท่านอบีซารสุดถึงการปฏิเสธและต่อต้านของพว ก, พกมุชริกีน์มากๆว่าพรามันเอเจ้าอย่าเสียใจไปการปฏิเสธต่อต้านของกลุ่มชนเหล่านั้นต่อเจ้าเนี่ยอย่าทําให้เจ้าต้องเสียใจเพราะฉะ้นจึงมูซารี้รับตรรศมาก่อนเช่นเดียวกับที่เจ้าได้รับอันฟรุกรกอหรืออันกุรอานแล้วพมวีความขัดแย้งกันบางคนเชื่อบางคนก็ปฏิเสธอ่าแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าสุนนตุลอาวลิบสุนตุลลอฮ์แนวทางของอัลลอฮ์ หรือแนวทางของคนยุคก่อนกําลังดําเนินไปในทิศทางเดียวกันหมายถึงว่าตัวละครเนี่ยจะมีมีตัวละครที่เหมือนกันตราบจนกระทั่งถึงวันเกียมาสมัยนะั้นมีมูซาก็มีมีรอซูลมีใครฮะมีผู้ศรัทธามีตรงกันข้ามผู้ปฏิเสธมีผู้ที่สลับส่วนการปฏิเสธตัวละครเดียวกันเพดัะนั้นที่เจ้าเนี่ย มูฮัมหมัดสุลลามได้รับคำพิจารณาอัลลอฮ์ชัดเจนไม่มีข้อสงสยัยแต่พวกเขาพยายามสร้างความซึ้งเคลือบแขลงสงสยัยเจ้าใหญ่ได้สงสยัยเพราะบูซารเนี่ยเคยรับบัลมาและพวกเขาเนี่ยฟักตุลิฟฟีก็ได้ถูกขัดแย้งกันแสดงว่านี่เป็นบทเรียนสําคัญว่าประโยชน์ของการศึกษาประวัติศาสตร์ในอัลกุรอานอันนี้คืออัลลอฮ์เนี่ยได้ได้ดึงเนี่ยให้เรากลับมาเห็นว่าที่เราศึกษาก่อนหน้านี้ทั้งบทใช่ไหมฮะศึกษาเรื่องอามบีท่านนั้นท่านนี้เนี่ย หมายความว่าเราแสดงบทบาทเป็นเหมือนกับบาดานเดบีและรัสุนทั้งหลายแต่แน่นอนย่อมมีคนที่ตรงกันข้ามเหมือนกับที่ท่านเบีสอนเราไว้สำกำลังกำลังประสบอยู่มีคนตรงข้ามกับท่านเบีแล้วเราก็ให้ท่านเบีเนี่ยได้รับรู้ว่ามูซาก็เคยรับคำพีมาก่อนแล้วพวกเขาก็ขัดแย้งกันกับตัวนบีมูซาแสดงว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ต้องมีผู้ปฏิเสธจนกทั่งถึงบันเปียมาแต่ไม่ได้หมายถึงว่า ให้เราปล่อยให้พวกเขาปฏิเสธต่อเปล่าแต่เรากล้าว่าเฉยๆตัวนี้เป็นโอกาสขณะเดียกัก็ยังต้องมีจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะมีสุดาตุลละแนวทางของอัลลอฮ์จะต้องมีผู้ปฏิเสธจนกระทั่งถึงวันเกียร์มะและผู้ศรัทธาก็ต้องมีจนกระทั่งถึงวันเกียระมะดัง น, นั้นเด่ยคือสุดท้ายแล้วทําไงฮะจะอยู่อย่างไรนักุญสิ่ก็ต้องสอนสอนให้อยู่ร่วมกับผู้ปฏิเสธต่อหรในทุกระดับต้องมีทุกระดับ และนี่คือมุ้สิ่น่าจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมกับคนได้มากที่สุดหมายถึงว่าคนที่ปฏิเสธคนที่อาจจะต่อต้านหลักการอิสลามนะแต่ก็ต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่างกันแน่นอนนะครับวะลาบัดอัตยนามุสลิฏะบะฟัคตุลิฟฟิอะลอปะวะลาูลังกาลิมาตุนซะบะกอตบิรอบิกะละกูติยาบายนะฮ์หากไม่มีบัญชากาลิมา this is the w า r d of g ก่อนหน้านี้ sabakot มิรอบิกะจากพระเจ้าของเจ้าแน่นอนพวกเขาถูกจัดการไปนานแล้วแต่เนื่องจากอัลลอฮฺ ตัดแล้วแล้วคํำตัดของพวกเนี่ยเป็นจริงเสมอแ ล, แล้วตัดยังไงฮะตัดว่าการลงโทษของพวกเขาเนี่ยยังไม่ถึงเวลานี้ก็คือจะถูกลงโทษจะเลื่อนประวิงเวลาไปในวันเกียมาหรืออิลอาอัจลิมุซัมมากําหนดที่อัลลอฮฺสุบะฮฺอัลอาบิะได้วางเอาไว้แต่นั้นพวกเขาท้าทายในบางทีให้การลงโทษมาถึงอลัลลอฮฺยังไม่ลงโทษทำไมฮะถ้าอาลัลลอฮฺประสงค์ ถ้าหากไม่มีคำบัญชาของลอสก่อนหน้านี้ซึ่งปะกอบด้รบิกะก่อนหน้านี้มาแล้วเนี่ยพวกเขาจะถูกจัดการไปเรียบร้อยและเนื่องจากมีคำบัญชามาก่อนทำให้พวกเขาเนี่ยยังไม่ถูกลงโทษ น, นะว่าอินนาหุมและแน่นอนพวกเขานะั้นและฟีชัค ก, กิมมินฮูมูรีบย่อมเป็นผู้สงสยัยย่อมอยู่ในการสงสัยต่อคาพีต่อคำพี ที่อัลลอฮฺสุปฮาน์อูฮฺดาราประทานมาให้กับท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลามะเลย์แสดง ว, ว่าเป็นจริงหรือเป็นเหตุอันนี้ก็คือสภาพของบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะเหมือนกับผู้ปฏิเสธสมัยนบีมูซาอะเลีล่ยส์อัลลอฮฺก็เลยเล่าในหลายช่วขงของนบีมูซาเองเช่นช่วงการปฏิเสธของมณิสราอีเนี่ยอาจจะรุนแรงคือเล่าเพื่อเป็นบทเรียนในทุกทุกคน ส่วนผู้ศรัทธาเนี่ยได้รับบทเรีย น, บบนในมุมหนึ่งเช่นท่านนบีซอลเลาะห์ซาลมาดาซาบานได้รับบท เ, เรียนมุมไหนฮะความเร็วในการปฏิเสธอย่างบันิสราอิมเนี่ยเพิ่งผ่านพ้นทะเลแดงรอดพ้นจากศัตรูของพวกเขาก็คือฟาโรห์และก็สมุนพักพวกของฟาโรห์ทหารของเขาฮะรอดพ้นจากทะเลมาเขาใช้คําว่าดินดินทะเลเนี่ยยังไม่แห้งดี น บ, บีมูซาอะลัยสลาเนี่ย ข, AH. ขึ้นไปรับบุหีจากอัลลอฮ์ก็คือไปรับบัญญัติสิประการใช่ไหมฮะและฝากน บ, บีฮารูดยังอยู่น บ, บีฮารูดยังคมอยู่กับพวกเขาแต่ด้วยความที่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธอย่างรวดเร็วขึ้นไปไม่ถึงสี่สิบก็คือสี่ิบวันนะครับสี่สิบวันลงมาเนี่ยซามีรี่มาหลอกปลูกให้พวกเขาสักการะอื่นจากอัลลอฮ์พวกเขาก็คล้อยตามซาเมีรี่เอานาท์สินรวบรวมมาพวกทองอะไรต่างๆ มาหล่อเป็นรูปวัวทองคําแล้วให้มีรูตรงกลางให้ลมผ่านเนี่ยแล้วก็บอกว่านี่ไงพระเจ้ามีเสียงด้วยอ่ามันก็เป็นของเล่นอะไรอย่างเงี้ยและกลายเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะตอนนั้นนี่เป็นทองคำเป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นี่คือคําของเซนีรีธานันเองที่กลายเป็นพระเจ้าดังนั้นนี่คือความรวดเร็วในการปฏิเสธศรัทธาของบันิอิสราเอลเนี่ยย่อมเป็นบทเรียนจะลงใจตัวท่านบันิลลอิสราเอลและบรรดาซาฮาบาว่าเป็นเรื่อง คือเป็นเรื่องเป็นไปได้ที่พวกเขาจะปฏิเสธสัจธรรมที่มันชัดเจนอย่างอันกุ้นอ่านคุ้อ่านนี่คือชัดเจนมจหกิจศาสตร์ที่ให้ข้อเท็จจริงเนี่ยทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยส่องแสงรัศมีให้เห็นถึงความความจริงและสัจธรรมตลอดเวลาขณะนั้นเนี่ยก็ยังมีผู้ปฏิเสธแม้จะชัดขนาดไหนนะครับว่าอินนาฮุมละฟีชัติมินูบอริแน่นอนพวกเขาก็ยังคงที่จะสงสัย ตอนน่ออันกุรอานอยู่วันเนีครับเราบอกต่อไปว่าอินนะกุลลละมาเลว่าเฟียนนะฮุมรับผูกะอาามาละหุและแท้จริงกุลลทั้งหมดพวกเขาทั้งหมดเนี่ยแน่นอนเราเนี่ยจะเลว่าเฟียนนะฮุมตอบแทนพวกเขาใครตอบแทนรับผูกะพระเจ้าของเจ้าตอบแทนพวกเขาอาามาละหุตามการงานที่พวกเขาเนี่ยได้กระทรําอย่างสมบูรณ ไละยู่ว่าฟยันนาหุอตอบแทนยังไตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อินนะหูบิมายาอัมูนะบสีเอ่อนะขอบิอินนูบิมายอัมรูนะขอบอินแท้จริงพระองค์มือคนอัลล์ต่อสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยขอบิขอบิเนี่ไงเหมาะสมกับอายะขอบิเนี่ยแปลว่าผู้มีความรู้แต่จากจากอาลีอาลีแปลว่าผู้รอบรู้ ถ้าเป็นอาลีมนะครรู้แบบกว้างขอบีที่คือรู้แบบลึกรู้แบบลึกซึ้งเรื่องเดียวเนี่ยรู้ทั้งหมดรู้แบบเชิงลึกแต่ อ, ลอาลีอัลลอฮ์เนี่ยทั้งสองพนา อ, น อ, อาลีบุญคอบีตอัลลอรู้อย่างกว้างรู้ทุกเรื่องรู้อย่างลึกในเรื่องนั้นเนี่ยรู้ทุกกรณีรู้อย่างละเอียดนี่คือนามขอแล้วดูพี่น้องดูเที่ยวเราใช้คํานะครใช้คําเหมาะสม บิมายามาลูน่ะขอเบีรรู้อย่างละเอียดเราไม่ได้ว่าบิมายามาลูนะอาลีแต่เรารู้รู้แบบว่ากว้างๆเราบอกว่ารู้อย่างละเอียดที่พวกเขากำลังทำอยู่เนี่ยในรายละเอียดต่า ง, งๆน ะ, ะออามาเราการงานของพวกเขาอายันี้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะครับเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนแบบอันเจระการตอบแทนตามการงานที่เขาได้กระทําโดยที่เราจะไม่อาถรรพ์เวลาเยสติมูรักรุกอาฮาด เขาทีอินนบิมายามาลูนแท้จริงพระองค์เนี่ยบิมายามาลูนตามสิ่งที่พวกเขาได้กระทำเนี่ยทุกประการขอบีรเป็นผู้ที่รู้อย่างละเอียดดังนั้นเนี่ยการตอบแทนขอล้อร้อยเวเฟียนนาหุมรับบุกะอามาลหจะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้อย่างละเอียดทีทั่วจึงเลยสามารถที่จะตอบแทนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้ดังนั้นมนุษย์เนี่ย เราไม่สามารถจะได้รับการตอบแทนจากกันและกันอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เนื่องจากมนุษย์ไม่ได้มีความรู้แบบครบถ้วนสมบูรณ์การตอบแทนที่ครบถ้วนจึงมาจากอัลลอ์และเช่นเดียวกันการตอบแทนที่เป็นการตอบแทนอย่างไม่มีบททดสอบคือการตอบแทนในโลกหน้าทุกสิ่งที่อัลล์ตอบแทนหรือให้อย่างรวดเร็วในโลกนี้จะไม่เรียกเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุด เพราะความปวดปานที่เราให้ในโลกนี้จะเป็นสุขภาพที่ดีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงวงศ์ตระกูลหรืออะไรก็ตามนะฮะอัใจัยในดุญยานี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่มันจะกลายเป็นแต่มันจะกลายเป็นบททดสอบในเวลาเดียวกันสมมุติว่าที่เราบอกนะฮะว่าวายะตกิลลาฮิยะจัลละกูมะครอญะวายะรุุุมินไุไลฮ์ติตักวต่ออัลล์อตักวะนี่เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหฮะ ตักวาตอบเราเชื่อฟังอัลลอฮฺอัลลอฮฺตอบแทนในโลกนี้ให้แก้ปัญหาให้ในโลกนี้และจะประทานดิสกีโดยที่เขาไม่คาดคิดแสดงว่าดิสกีเป็นทางออกของปัญหาและเป็นเอ่อตักวาเป็นทางออกของปัญหาและเป็นการเพิ่มพูณณิสกีแต่การที่เราได้รับทางออกจากปัญหาและการเพิ่มปุณณิสกีเนี่ยอันนี้คืออัลลอฮฺตอบสนองเขาเรียกว่าตอบสนองความต้องการของมนุษย์แบบรวดเร็ว ว่าการนั้อินซร์สัตว์อายุละมนุษย์เนี่ยชอบอะไรที่เร็วๆโลกนี้ในชื่อหนึ่งก็คืออาจีละอาจีละนี่แปลว่าเร็วเราตอบแทนแบบเร็วใช่ไับเอาเราก็รู้ว่ามนุษย์เนี่ยไอพี่น้องดูนะคอัลเอาเราสุภาหานวัวตาลาเป็นผู้รู้จักมนุษย์คือเอาลาสามารถที่จะอตอบแทนเฉพาะในโลกหน้าได้แต่ผู้สัตว์การเลาะก็ตอบแทนในโลกนี้ด้วย เพื่อที่จะให้ยืยนยนันคอนเฟิร์มว่าอยู่ในหนทางขออัลลอฮ์เนี่ยได้รับความดีจริงๆอต่ถ้าเมื่ออัลลอฮ์บอตักวาแล้วเนี่ยได้รับผลตอบแทนเลยสวรรค์นในโลกหน้าบางทีมันจะรู้สึกว่าอะไรนะฮะจ ะ, จะนานนะใช่ไหมฮะจะรู้สึกว่านานอัลลอฮ์ก็เลยให้ตอบแทนโลกนี้และแปลกมากนะฮะหลายอายาัดด้วยกันเนี่ยคือผู้สัทชาเนี่ยจะเป็นต้องบอกทั้งสองโลกเป้าหมายเราคือโลกหน้า แต่โลกนี้เนี่ยคือเราก็ได้ด้วยอยู่กับศาสนาของร้อนเนี่ยเป้าหมายโลกหน้าได้แน่นอนคนเฟิโลกนี้เราก็ให้แบบว่านิดๆในหน่อยแม้จะเยอะนะแต่ก็ถือว่านิดหน่อยแป็ผู้สัทธาได้ได้ทั้งสอโลกแต่เราวางเป้าหมายโลกหน้าก่อนไม่ใช่เราบอกว่าโลกนี้ฉันไม่เอาอะไรเลยความดีงาจากร้อนไม่เนี่ยรับบันาตีนาฟิลิปปินส์อาชีพฟินานาชีพศสนวกในอาและก็เช่นกันนะดูในอายในสุราตอนทายของสุราสอกเนี่ยอายุฮลดีนอามานุ อดุลล oh, ah, ุุมอลาิารติทุนจุมินอาดาินอัลีโอ้บรรพุรุษทังหลายนข้าจะเชียร์เอามั้ยดุลลุคุมอาลาดิจาระในการทาการค้าทาธุรกิจดุลลุุมอาลาดิจารติทุนจุมินอาดามินอัลีอจจะทาให้พวกเจ้าเป็นธุรกิจที่ทาให้พวกเจ้ารอดพ้นจากไฟในรกหนึ่งทอะไรบ้างทูมินูนบิลลวะรซุลีฮิสตาตาะละรซุลขับมวะตูจาฮิลูนาฟสบล ลิลลาฮิบิอัมวาลิกุมะอัลฟุซิกุมแดลิคุมไพรุลละกุมอินคุนตุมต้าละมุตัสูในแนวทางของล l l a ด้วยกับศักดิ์สิทบิอัมวาลิกุมะอัฟุซิกุมนั่นเป็นสิ่งที่ดีสาหรับพวกเจ้าหาพวกเจ้ารู้อินคุนตุละมตัยัฟิรลุมดุบุกุล Allah ไม่โทษให้ดุโนบุกุลไปยู่ในทีุกุมจันนทร์ที่จะเจอินตาฮ์ที่ันอันหามจะให้เข้าสวัสด์ที่มีแม่น้ำไหลสายไหลผ่าน ว่ามาซาคินะไปยืนบัตรฟิจันนาเทอดและมีที่พักมาซากินะไปยืนบัตรที่ดีฟิจันาเทอดในสวนสวรรค์อันสถาพรและลิเกลฟาวซุนอาซิเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่นี่คือจบนะหมายถึงว่าน่าจะเพียงพอแล้วในมุมของเออนี่คือ ต, าต่างตอบแทนที่ถ้าอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ ต่อสู้แนวทางของพระองค์ด้วยกับชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยเราตอบแทนด้วยกับสวรรค์แน่นอนผู้ศรัทธาเพงพอช่แต่เรารู้ว่าคือเราต้องการอะไรเนี่ยมากกว่าสวรรค์ม้กว่าสวรรค์มีอะไรอีกฮะจงไม่มีอะไรแล้วนะฮะแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยที่เป็นมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องการอะไรที่ในโลกนี้ด้วยเรา็จึงบอกว่าอุครอและมีอย่อื่นอีกอะไรฮะมีนอกจากสวรรค์แล้วสถานบรรับในสวรรค์จวมาสกินต์ طيب เต็มฟีจันนาตีอาตดาลิกันเฝ้าซุนอาซีบนี่คือชัยชนะ แล้วมีว่อุครองมีอยงอื่นอีกะไรฮะแล้วอัลลอฮ์รู้ด้วยอย่างอื่นเนี่ยพวกท่านจะชอบกันตัวให้บูนะฮะพวกท่านชอบกันนัสรุมมินัลลอฮชัยชนะของอัลลอ์นี่อยู่เมื่อไหร่ฮะในโลกนี้อัฟัตฮุนกอรีบและการพิชิตอันใกล้แสดงว่าอะไรอัลลอ์รู้ว่ามนุษย์เนี่ยคือรีบครับอยากจะได้เร็วๆในโลกนี้ดังนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเราไม่ปฏิเสธเพราะอัลลอ์เาเรียกอะไรเชิญชวนนะครับ ชิญชวนให้ผู้ศรัทธาอยู่ในหลักการขออรรถได้ทั้งสองโลกแต่อะรถดึงดุดให้เราปรารถนาอย่างได้โลกหน้าก่อนแต่ในโลกนี้มันเป็นผลพวงที่จะได้รับตามม า, าดังนั้นผู้ศรัาไม่ปฏิเสธความดีทั้งสองโลกที่อรรถได้ ต, ตระเตรียไมไว้ให้นะฮะว่าอเคราตัวให้บูะะรณะอรรถรู้ด้วยและมีอย่างอื่นอีกที่พวกท่านเนี่ยชอบกันชอบกันในดุนยาตัวให้บูรณที่ชอบกัน นัสรุมีนอัลลอฮนั่นคือการช่วยเหล๋ยวจกอัลลอฮ์ฟุตฮุนคอรีบนะฮะการมิชิดอันใกล้ดังนั้นการตอบแทนของอัลลอ์สุบฮานะหัวตาลาเนี่ยในโลกนี้จะไม่ถือเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดนัสรุ ม, มินอัลลอฮชชอัลลอฮ์มาลฟุตฮุนคอรีบการมิชิดอันใกล้หรือแม้แต่ว่าไมัจะติละให้จะละหุมาคราจะใครตักว่าตออัลลอ์อัลล์ให้ทกออกและให้ประทานทิษกีให้การได้รับทางออกจากปัญหาการมีทฤษกีที่เพพูนเนี่ย จะไม่ถือเป็นการตอบแทนที่สิ้นสุดแล้วเปล่าเอาเราตอบแทนเพื่อให้เราเนี่ยเชื่อม ใ, ใจอยากจะตักวามากขึ้นพราะเห็นผลแบบทันทีทันใดใช่ไหมฮะว่าไม่ตักินแล้วอยากจะอัลลอฮุมะครอยจะได้ประโยชน์ของทักวามีทั้งสองโลกโลกนั้นนี่คือสําคัญที่สุดแต่ในโลกนี้เออเราก็ให้แต่สําหรับการให้ในโลกนี้อย่างเช่นทางออกของปัญหาและการได้รับพิสกีเพิ่มพูนเนี่ยตัวของการได้รับเนี่ย แม้จะเป็นการตอบแทนในยักหนึ่งหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นการตอบแทนแต่อีกหน้าหนึ่งเนี่ยเป็นบททดสอบว่าจะปฏิบัติอย่างไรอย่างเช่นเดบีสุเลย์มาลิสลาบนดบีสุเลมาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่อะไรฮะได้รับความโปรดปรานที่มาอาสาลมากจนกระทั่งเนี่ยที่แบบว่าสุดยอดเลยนะฮะสามารถที่จะนําเอาบรรลังของกษัตริย์บินติสเนี่ยมาต่อหน้าท่านบางรายงานบอกว่าตัวท่านเองเป็นคนนํามา เพียงชั่วพริปตาแต่มียินตนหนึ่งบอกว่าฉันสามารถนํามาได้ในก่อนที่ท่านจะลุกจากที่นั่งลุกจากที่นั่งนี่คือเร็วเลยนะครับแต่ในมูซุลเลมานบอกบัลลังก์บอ ก, กเป็นตัวท่านเองอก่อนนะครฉันสามารถนําบัลลังก์นี้มาได้เนะี่ยโดยเร็วกว่าที่ท่านนำมาอยินคือชั่วพริบตาแล้วเมื่อในมีซุลเลมานเห็นบัลลังก์แล้วมาแล้วเพราะขอด้วยกับนามขอเลาะ อ, อันยิ่งใหญ่เมื่อ น, นํามาเห็นแล้วเห็นบัลลังก์ของเบนกิสกษัตริ์เบนกิสมาอยู่ต่อหน้าท่านในมีซุลเลมานแล้ว แตมีสุรมิมานรู้ว่านี่แม้จะเป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์ได้จากท่านมีคีดดวย์เวิร์ดรู้ว่ามีการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นพิเศษมีนามของอลัลลอฮ์อันยิ่งใหญ่แม้ว่าท่านรู้ว่านี่เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์แต่ท่านก็รู้ว่าการตอบแทนนี้ถือเป็นบททดสอบในตัวท่านจึงบอกฮาซาบิมฟัดลีรบีนี่เป็นความโปรดปานของพระเจ้าของฉันเลียาไบลล้วยนี้เพื่อทดสอบฉันดิบีสุริมันจึงไม่หลงนะฮะไม่หลงว่าอนี่คือฉันได้ไดรับแนละ้วบรรุและบรรุดไม่ฮนะ โลกนี้ต่าใจที่แยรับใครใจะได้รับอะไรยิ่ใหญ่กว่าน บ, บีสุลตานมีไหมครัไม่มีและน บ, บีสุลมานตะหนักว่าสิ่งที่ท่านได้รับเนี่ยนั่นคือบททดสอบนี่ต่างหากที่คือความฟีกเน บ, บีสุลมานเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้าใจศาสนาแบบลึกซึ้งมากฮาจามินฟอกติรบีเป็นความโปรดปรานของพระเจ้าของฉันไม่ลืมตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครัอะไรก็ตามที่เราไรียกในดุลยานะอย่าลืมว่านี่แปลจากอัลลอฮ์นบีสุลมานใช้คําประโยคแรกนะ ไม่ลืมว่าสิ่งนี้มาันจะอัลลอฮ์และประโยชน์ที่สองรู้ว่าอัลลอฮ์ให้มายอย่างมีเป้าหมายเป้าหมายเพื่ออะไรฮะเลียเบลุอานีอัลกูร อ, อัลอาคุเพื่อทดสอบฉันเหอฮะว่าฉันจะขอบคุณหรือปฏิเสธเป็นมุมมองที่เฉียบคมมากของนบีสุลัยมานอเลสลังเข้าใจประเด็นว่าที่อัลลอฮ์ All. ให้ม า, มาเนี่ยนั่นคือความบุญทานของอัลลอฮ์ไม่ใช่เราบอกว่าให้เราทิ้งความบุญทานเหล่านี้ไปเก็บมาใช้ได้ แต่อย่ลืมว่าเป็นควา ม, มบกพร่องของร้อยหนึ่งและสองคือเป็นบททดสอบในขณะเดือกันพิฆาใช่มครัเป็นการตอบแทนที่เลาให้และเป็นบททดสอบอีกหน้าเนี่ยนี่คือมุมมองที่ถูกตอ้องแต่ผู้ศรัทธานเนี่ยจะได้รับการตอบแทนที่ไม่ใช่บททดสอบแล้วคืออะไรฮะในโลกหน้าแต่ในโลกนี้อะไรก็ตามที่มาประสบจะเป็นความดีที่คนทั่วไปชอบเราชอบมนุษย์ชอบใช่ไหมฮ ะ, ะเราเข้าใจขอบคุณตออ่อเอียนลืมว่านั่นมาจากอัลลอฮ์และขณะเดือกัน สิ่งนั้นเช่นเดียวกันเป็นบททดสอบที่มาจากพระ อ, องค์ในแง่ของการลงโทษหรือบททดสอบการตักเตือนก็เช่นเดียวกันการเจ็บไข้ได้ป่วยการประสบกับภั ย, ภ ย, ภ ย, ภยบาลาต่างๆอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตที่มองในมุมกลั่วไปในไม่ดีนะฮะจะไม่ถือเป็นการลงโทษแบบแบบเป็นการลงโทษในโลกหน้าแต่ในตัวมันอาจจะเป็นการตักเตือนมุมหนึ่งคือมันจะมันจะเป็นเป็นการตักเตือนในมุมและอีกมุมนึงก็คือ เท่ทีนะอาจจะเป็นการลงโทษในมุมหนึ่งเท่าที่มุมที่เราอาจจะเผลอเลอะไปมุมที่อาจเอาอาจจะผิดพลาดอะไรบางอย่างไปอลัลลอฮ์ก็จะตักเตือนไอ้เท่ที่อัอลลอฮ์ก็จะลงโทษให้เราได้รู้สึกขณะเดียวกันก็ตักเตือนในคราวเดียวกันใช่ไหเป็นการตักเตือนในคราวเดียวกันดังนั้นนี่คือในมุมมองของผู้ศรัทธาเนี่ยโลกนี้ทั้งหมดและสรุปด้วยคํานี้นะโลกดุจยานี้ดารุลอามันโลกแห่งการงานอะไรจะมาประสบเนี่ย ดีหรือเลวเนี่ยเรามีสูตรในการที่จะเปลี่ยนทั้งความสุขความทุกข์เนี่ยให้กลายเป็นอมัสซ่าแล้วได้ทังสิ้นเทศบุตริทานาบีบอกนะฮะถ้าเป็นความสุขเปลี่ยนให้เป็นอมัสซอาแล้วคือขอบคุณถ้าเป็นความทุกข์เปลี่ยนให้เป็นอมัสซ่าแล้วคือไงฮะการอดทนนี่คือสูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรที่แบบว่ามันมีก้าแค่เนี่ยนะฮะถ้ามีความสุขสูตรก็คือชุโกะถ้ามีความทุก สูตรก็คือ ส, สองอย่างส่วนในโลกหน้าถ้าเป็นความสุขก็คือแบบสุขถาวรถ้าเป็นความทุกข์ก็คือทุกแบบนิรันดรตลอดกาลนะว่าอินนะกุลลัลลัมมาไรว่เฟียนนะหุมรบปุกะอามาลุนอรรอาจตอบแทนทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างตามการงานที่พวกเขาเนี่ยได้กระทําไม่ว่าจะเป็นการงานที่มาจากการตักเตือนหรือเป็นงานที่มาจากความโปรดปรานที่อรรรอาจเนี่ยให้ก็ตา อินนาหูบิมายอามาลูนะขอบิรเรารู้ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำนั้นม น, นุษย์จริงๆแล้วปัจจัยดุงยาไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดจะสูญสลายนะที่ไม่สูญสลายคืออามัลไงอามัลคือตัวการงานดันั้นนบุนวกุมไอยุกุมอัคสนุอามลัลเราสร้างการตายและการมีชีวิตเพื่อทดสอบพวกเจ้าในการนี่อามัน์สำคัญที่สุดอามะนนี่คือตัวชีวิตที่มันจะอยู่กับเราตลอดญา น, นี่คือนักวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้ว อยู่ยานี้ก็ต้องต้องจับไปเป็นโลกเนี่ยสุดท้ายเราเองมันก็ทุกคนก็ต้องจับไปใช่ไหมแต่ทิ้งร่องรอยคือตัวอามันเอาไว้แล้วก็จะมันมันคงเหลืออยู่จนกระทั่งถึงวันแก่เพรนั้นเนี่ยาาลลเพราะฉะนัาาจึงโฟกัสสาคัญมากว่าพระองค์จะตอบแทนอามาแล้วการงานของพวกเขาในอย่างสมบูรณ์อินนาวบิมายามาลูนะบอยแท้จริพะองค์รอบรู้อย่างละเอียดต่อสิ่งที่พวกเขา ไ, ได้กระทำะระยะที่ ร้อยสิบสองนี่สำคัญฟัสต้าทิมดังนั้นเจ้าจงอยู่บนความเที่ยงธรรมกามอุมิรุตะดังเช่นที่ ท, าท่านเจ้าเนีถูกสัก่งใช้วามันตาบามาอากะและเช่นเดียวกันผู้ที่สำนึกผิดพราอกับเจ้าเนี่ยถูกสั่งใช้ให้ดํารงไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมว่ลาต้าตัวเราและอย่าได้ละเมิดต้าตัวเราเหมือนกับกลุ่มชนที่เคยละเมิดมาก่อน อินนาหูบีมาตาอามารูนาบซสิแท้จริงพระองค์เป็นผู้ที่คอยสอดส่องหรือเป็นผู้ที่รู้เห็นต่อสิ่งที่พวกเจ้าได้ได้การทําบีมาตาอามาลูนาบัสิอายะนี้เนี่ยอุลมาบางท่านก็บอกว่า<อ>เป็นอายะที่ทําให้ท่านนาบีเนี่ยผมงอกเป็นอายะที่ทําให้ท่านนาบีซอลลาระห์เลวซันมันผมงอกเช่นในงานจากใครครับ อย่างเช่นายงานจากท่านอิบราฮิมบาสนะฮะว่าอายันนี้แหละคืออิบรบาฮิมบสได้กล่าวว่ามานะเซล่าลลอฮุซุลลอฮิสัลลัลลอฮ์สุนนะอายะตุยาช ด, ดุวะลาอัชบุบุมินฮะดีนอายะไม่มีอายันใดที่จะลงมา น, นันัะแล้วก็รุนแรงสาหรับท่านอัลลมาถึงว่านักแน่นน ะ, ะมากกว่าอายันที่เ็นฟาสตากิมกามาอูย์ตดดยจังนั้นเจ้าจงดำรงยืนหยัดอยู่บนความเท ตามที่เจ้าถูกสั่งใช้เหมือนกับว่ามาสรุปทั้งหมดเลยเนื้อหาของอสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อดีตนะฮะดังนั้นเจ้าจงดารงฟาสต์กิมกมามอุมิรตพร้อมกับวามันตาบามะอั ก, กวละลาตองกอและจงอย่าละเมิตดตองกอนี่คือเป็นการละเมิดขอบเขตละเมิดคําสั่งของ อ, อินนูเพราะแท้จริงอลัลลอฮ์เนี่ยบีมาตาอามาลูนบับบัสีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทาําอัลลอฮ์สอดส่องเนี่ย ถ้าพี่น้องดูการศึกษาตะฮิดหรืออัสมาอุลลอห์าวาซีฟาตูลลักษณะของอัลลอ์หรือนามชื่อของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าศึกษาตามอันมุรา่านะเราจะมีเราจะมีความหวานหรือจะมีเขาเรียกวาอะไรมันจะมีจิตวิญ ญ, ญาณแห่งการศึกษาเราจะไม่ศึกษาแบบแยกคำมาศึกษาหรือว่าแยากเป็นบทตะฮิดล้วนๆเปล่า ถ้าดูในกุรานเราบอกเดบบาซีนี่เป็นนามหนึ่งของล l l a h แปลว่าผู้ทรงเหตุและนามนี้เนี่ยถูกผูกพัดกับอะไรฮะบีมาต้อามาลูในบซีนต่อสิ่งที่พวกเจ้ากระทำอย่าเ Allah เห็นอ่ะแสดงว่าการศรัทธาที่ถูกต้องเนี่ยคือต้องลงสู่การปฏิบัติถ้าเราบอกว่าเรารู้ Allah เห็นรู้อย่างถูกต้องเลยอันตรายนัถูกต้องแต่รับความผิดแสดงว่ารู้จริงไหมฮะมันก็ชัดเจน ไม่งันอายันนี้จะมีความหมายอะไรอินเทหูบีมาตามาดูนัมบัสซอัลลอฮ์รู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำเราบอกว่าเอออักีน่าฉันถูกต้องฉันเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงทรงเห็นเห็นยังไงบางทีอธิบายได้อย่างดีงามใช่ไหมฮะอธิบายแบบว่าละเอียดรากศัพท์มาจากอะไรต่างๆมากมายแต่ประเด็นคืออะไรฮะประเด็นคือละอามันล่ะตามาดูเนี่ยสิ่งที่พวกเจ้ากระทาแสดงว่าอัคกีน่าศึกษาที่ถูกต้องเนี่ยต้องผูกพันกับการงานเพราะอัลลอฮ์ผูกพันถูกไหม นี่คือหลักสูตรรายเรียนอังกฤษที่ถูกต้องคือเรียนจากอัานคุรานในสมัยท่านอนะบีซอลก็ไม่มีไม่มีคือไม่มีการแบ่งบทแบ่งเป็นวิชาต่างๆวิชาต่างๆนี้เป็นการแบ่งที่ดีที่อุลมามะเข้ามาแบ่งในยุคหลงังแต่สฮาบะได้เรียนสองวิชาเรียนอะไรฮะเรียนคุรานกับเรียนซุนนะเรียนคุรานกับเรียนฮะดิษหรือซุนนะของท่านอบีซอลล์มาเลยส์และจากวิชานี้ก็คลอดออกมาเป็นหลายวิชามากมายดังนั้นเนี่ยทุกวิชาก็จะเป็นต้องพึ่งพาวิชานี้ อุลมามะเขาถึงแนะนําว่าจะเป็นอากิดะก็ดีที่จะเป็นฟิสกส์ก็ดีจําเป็นต้องมีตัวบทเป็นหลักเกณฑ์ในการที่จะพิจารณามันไม่ใช่ว่าเป็นแค่งานวิจัยอย่างเดียวค้นคว้าอย่างเดียวเปล่ามันต้องมีตัวบทเป็นพื้นฐานหากเราบอกว่าเรียนวิชาสามัญวิชาโลกทั่วไปเนี่ยก็เช่นกันก็จำเป็นต้องมีตัวบทจากอาุลานจากสุนนัขเป็นพื้นฐาน ถ้าคนที่เรียนสามัญโดยที่ปราศจากหลักการหรือความรู้เล ย, เลยโดยสิ้นเชิงจากพุทธในสาขานั้นๆนะฮะถ้าสมควรอะไรน ะ, ะได้รับข้อตําหนิคนที่ศึกษาอย่างวิชาอะกีดะหรือวิชาฟิสหรือวิชาอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะที่เป็นวิชาเชิงศาสนาดโดยตรงแล้วยังปราศจากหลักฐานหรือตัวบทที่มาจากพุทธทั้งส่วนนั้นเนี่ยย่อมสมควรหน้าตาหนิมากกว่า และในความเปจริงแล้วในคุณอา่านเนี่ยคือแหล่งที่สอบบ้างุณอา่อานแลักสูตรนะฮะสองแหล่งที่สอบบ้างเขาศึกษาเราเรียนนี่คือหลักสูตรเท่านั้นเองและแต่ละคนเนี่ยคือมีความชํานาญหรือมีความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่ทอดออกมาหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีความหลากหลายเราจะบอกพี่น้องว่าในคุณอา่านไม่เพียงแค่มีศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสนาตามที่เราเข้าใจจริงๆแล้วเนมันเหมือนกับว่า เราได้รับอิธิพลจากบางศาสนาอย่างเช่นของศาสนาคริสต์อันนี้คือมันเป็นข้อมูลไปเราไม่ได้เป็นการกล่าวหาเขานะี่ศาสนาคริสต์เองเนี่ยเขาแบ่งชัดเจนเซคลูล่าเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากตัวบทธรรมพีเนี่ยของศาสนาเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงถูกปิดเปือ น, เ, นเวลามาเปรียบเทียบ ก, กับวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์สมัยใหม่บางอย่างที่บรรณวิทยาศาสตร์คน้นพบมันก็เลยมีการต่อต้านกัน ระหว่างสองข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างเห็นว่าเป็นข้อเท็จจริงซึ่งวิทยาศาสตร์บางทีเขายืนยันได้หนักแน่นกว่าทาให้คนสุดท้ายเนี่ยต้องมีศาสนาขณะเดียวกันสุดท้ายก็ต้องคิดความจริงทำยังไงฮะงั้นเราแยกแยกกันอยู่มันศาสน า, สานอยู่ในโบสถ์อยู่ในวัดถูกไหมฮะส่วนความจริงออกไปข้างนอกเนี่ยส่วนต่างหาใช่ฮะส่วนตัหาอันนี้เย ผมไปเจอการแชร์จาก facebook นะพี่น้องอาจจะเห็นในเดวอนเนี่ยนะครับมีชาวยูกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เห็นกับเซลลนิสที่เขาแต่งกายเป็นแบบว่าอียาของเขาผู้สิบบางคนปิดหน้าที่สัไ่ไปแต่งกายนะฮะแล้วก็หวยเขาผู้ชายแล้วก็ใส่หมวกแบบยูนะฮะแต่ว่าประเด็นเนี่ยผมเป็นผมอ่านรายละเอียดนะถ้าเป็นความจริงตามนั้นนะฮะแบบนี้ถ้าเป็นความจริงในในส่วนที่ข้อมูลนั้นเนี่ยไม่ได้มีผิดพลาดเผิดเบือนนะฮะแสดงว่า มีชาวยิวที่เขาเพร้อมที่จะปฏิบัติตามหลักการที่าำส่วนที่อยู่ในร่องรอยของศาสนาเขาแม้แจะเป็นส่วนน้อยก็ตามไม่เหมือนกับองค์ไซออ น, นิสใช่ไหมครับแต่ประเด็นที่มันติดใจผมอยู่นั่นคือเพราอว่าชาวยิวกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ยากจนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะเริ่มไปทํางานในี่ยทับผมจำเลกไม่ผิดประมาณอายุสี่สิบปีคลิเหมือนกับว่า ช่วงแรกๆ ก, ก็เป็นประมาณว่าอยู่อุทิศตนให้กับศาสนาก่อนเขาบอกว่ากลุ่มนี้เลยก็เลยต้องต้องรับเงินจากรัฐบาลไมายถึงว่าเป็นวัยรุ่นอะไรต่างๆก็ไม่ได้ออกไปทำงานอะไรแบบนี้นะผมก็มอกวอ่แบบนี้เนี่ยคือใช่ดูเหมือนว่าการแต่กายเขาอาจจะถูกต้องอะไรต่างๆแต่ว่ามันมาผิดผิดคือการผิดในโลกนี้แล้วเดลซาบาดเนี่ยเขาเข้าใจเก่งมากเลยว่า เ, เห็นกลุ่มคนตาบีินนะฮะ กลุ่มคนเนี่ยไปสร้างมัสยิดไปอยู่กันนอกนอกเมืองกลางเทะเลรายไปอิบานาต่อร้อยโดยลําพังซอว์บาท่านหนึ่งไปใซออบอดุลโสร์น่าจะเป็นอบับดุลอาซนะพอไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าทีนี่ต้อนรับเชิญท่านมาดีใจมากไปเยี่ยมพวกเราซอว์บาท่านนี้ก็เลยบอกว่าฉันไม่ได้มาต้องการไปเยี่ยมพวกท่านแล้วมาทําอะไรล่ะเอาฉันจะมาบอกพวกท่านให้กลับไปอยู่ กลับไปอยู่ที่เดิมคนดีๆเนี่ยถ้าออกมาแบบนี้นะฮะแล้วใครจะดูแลสังคมนี่คือฟิกของซาฮับเขาเข้าใจว่าหน้าที่ในการที่จะดูแลสังคมในโลกนี้เนี่ยเราไม่ปล่อยให้คนที่ปฏิเสธโลกหน้าดูแลโลกนี้ตามลำพังดังนั้นเนี่ยพอกลับไปดูแล้วในบรรดาซาฮาบะเนี่ยคือคนที่ประเสริฐที่สุดนะฮะเป็นเป็นผู้นํารัฐทั้งสิ้นครับวิธาลอล อ, ลองไล่ดูถ้าในดีสโลโลไปสังคมแร้ น, นี่คือท่านคือมีความสมบูรณ์ในโปรไฟล์ของท่านนคนที่2ถนมาท่านอับูบัคซิดดีเป็นไงฮะเป็ น, นสูงสุดอุบัยบุขะตอปในประเสริฐเราลงมาเดกมัติเอกชนของปรชาอิสลามประเสริฐสูดคืออบูบัซิดดีเป็นใครฮะเป็นผู้นำเป็นนักธุกรกิจเป็นนอกาอุบัยบุขะตอปเป็นผู้นาเป็นคนที่ครีเอทคนที่มีไอเดียกระูตรในการบริหารจัดการรัดสมัยท่านอุมัตเนือจากจริงท่านอุัตก็มีนะฮะแต่ว่าท่านอุมัตเนี่ย แต่จากช่วงที่ท่านปกครองปกครองเนี่ยเป็นช่วงผ่านพ้นจากช่วงที่ไม่มีนบีมาแล้วสองปีคืออบูบักเนี่ยเป็นช่วงที่ไรต่อระหว่างมีนบีกับไม่มีนบีทําสงครามอย่างเดียวคือช่วงนั้นนี่คือประคับประคองคนที่ลังจะออกจากอิสลามมันใหญ่หลวงนะเอาวะเประคับประคองให้อยู่นิ่งๆเนี่คือยเยี่ยมแล้วแต่จะไม่มีใครที่ดูแลดีกว่าอบูบักในยุคนั้นแต่เราให้อสองอสองปีใช่ไหมฮะ โซอุม so, ัตในิปีพี่น้องที่ดูเป็นไงฮะเริ่มสังคมรเริ่มที่จะก็มีสงครามมีอะไรบ้างแต่อุบัติแบบพัฒนาแบบกระชุ่คือแบก้าวไกลอ่ะแบบการเมืองท่านแบบว่าการการสร้างระบบต่งางๆที่เกิดขึ้นในสมัยอุมัตเนี่ยมหาศามีมากมามยแสดงว่าเป็นนักปกครองนักผอ้บริหารนักอะไรฮะมีความรู้มีสร้เงสท่านสมัยอุมัติอรอกต้องอุสมัย U ม อ, อ, อิบฟานก็เช่นเดียวกันอาเนียอเเป็นนักปกครองทั้งสิ้นนะฮะ แสดงว่าบรรดาซาฮบะที่เป็นแกนกานาแกนนาเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอุ่มคนที่เข้าใจโลกนี้เป็นอย่างดีเขาไม่ไม่ได้บอกนะครับบอกว่าอ๋อนะฉันคือใกล้ชิดกับอัลลอฮ์แล้วมั น, นปล่อยให้ให้ดุ尼ยาชาวดุนยเข า, ามไม่มีเลยนะครับซาบะสี่ท่านเนไม่มีแนวคิดแบบนี้โดยสิ้นเชิงนี่ประเสริฐที่สุดในหมู่ซาฮบะเนี่ยคือต้องมีส่วนไม่ใช่มีต้องมีส่วนคือเป็นแกนนําหรือเป็นสูงสุดของบรรดาซาฮบะทั้งหลาย เบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยุกิมก็ต้องกลับมาอยู่เราะมีฮะดิษบางบทที่ท่านนะมีซอลลัลก็จะบอกนะฮะคีลาฟาอะลาบินหะจินูบัวอยู่ตามแนวตามหลักสูตรอะไรงยบินฮะหลักสูตรของท่านนบีก็คือ30ปีบางฮะดิษบอกตัวเลขเลยนะ30ปีก็คือคอลิฟ้า4่พันหลังจากนั้นก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งเราเป็นระบบได้ชมงหจากนั้นก็จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะฮะนบีบอกนยช่วงยุสุดท้ายเนี่ยจะกลับมาอนระบบไหนฮะ ทีลาฟาอลามินฮาญินนบวะช่วงนี้หลบาบางท่านก็บอกว่าช่วงเนี้ยอยู่เป็นช่วงรอยต่อหรือช่วงสุดท้ายก่อนที่จะมีคีลาฟาหรือว่าอลามินฮาญินนบูะคือการปกครองที่อาศัยหลักสูตรจากท่านในาบีซอลล์บริสตัดกลับมาคร่ะแ น, แน่นอนคือเราก็จะไม่รู้ว่ารูปแบบไหนมันชัดเจนนะฮะมันจะกลับมาในรูปแบบไหนแต่เชื่อว่ากลับมาแน่นอนแต่ประเด็นก็คือประเด็นอยู่ที่ว่าเ อ, อมันต้องมีอะไรที่มันเหมือนกับ มินไฮยุนบวเนะีเหมือนกับบรรดาฟุลฟรารรชิดูนทั้งสท่านท่านมีอะไรฮะท่านเหล่านี้คื อ, อ, อในวันสซิ่งอย่างเดียวขงหลัท่านเหล่านี้นี่คือออกไปข้างนอกเป็นดูแลในบริหารจัดการต่างๆนะฮะแล้วนี่น่าจะเป็นแนวที่ถูกต้องที่สุดนะของของออการใช้ชีวิตตามแบบสลัฟวางทีเราจะเข้าใจว่าใช้ชีวิตตามแบบสลับนี่คือไงฮะ คืออยู่ในเฉพาะมันไม่ใช่แบบนั้นสลับที่กนนารนาสลับที่สุดนี่คือสลับอันมาตัดบีหิมเนี่ยเช็คคูมายดีนะท่านได้บอกสลับที่ที่เราสามารถอ้างอิงได้ก็คือมาอนาไรฮิอัสฮาบีคูบนาซาบะส่วนสลับคนอื่นนี่คือคือเป็นอะไรนะเออเป็นกลุ่มคนที่ประเสริฐสุดในแต่ละยุคใช่ประเสริฐสุดก็คือคอยคุคกุลกอร์นียุคของท่านอะบีซอลเป็ประเสริฐสุดหลังจากนั้นคือยุคถัดมาตาบี และจากนั้นคืออัตัฟบอตบีใช่ไหมครั300ปีแรกแต่ไม่ใช่ทั้ง300ปีนี่คือมุอะอัตบีคือเอามาอ้างอิงได้ทั้งหมดเปล่าที่ท่ามีบอกฮะดิษในคือมาอาณาอะไรฮิมอัลชาบีคือกลุ่มคนที่ฉันดำรงอยู่และบรรดาสหายของฉันมุอะตัดนี่แปลว่าคนที่เอาอ้างอิงได้ก็คือบรรดาซัฮบานนั่นเองนะครับอินนหูบีมาตามาลูนัตซีรนั่นเนี่ยเป็นอญญายะที่เอ่อทำให้เรายืนยัด ยืนหยัดอยู่ในบนทางของลเหมือนกันที่เราศึกษาอ่านบีุตล อ, อิสลามเนี้ยฮะแม้ว่าท่านบทเรียนของนบีุตส่วนหนึ่งก็คือท่านเป็นผู้ที่ปรารถนาอยากมีอานาจในขณะนั้น เ, เราอันนีบกุมกลวแตันมีอำนาจไม่ได้ปรารถนาคือต้องการแบบว่ามาอำนาจแน่นอนนะฮะนบีรุตไอิสลามไม่ใช่แบบนั้นอายะนี่บอกเราอันนาีบีกุมกลัวหากฉันมีอานาจเหนือพวกท่าน ใช้ใน จ, จัดการทุกท่านเสดงว่าในวีรู้ก็คือเห็นว่าอํนนานาจในสําคัญแต่ขนาดนั้นคือถ้าไม่สามารถมีได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เอาโทษเนฮะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าอํนนานาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปอู้วะนี่ก็ อ, อนนํานาจเสียภาพอะไรต่างๆเพราะมันสามารถที่จะห้ามปราบความชั่วร้ายที่จะเกิดขึ้นในสังคมได้เมื่อมีอํนนานาจแลคนดีที่ปกครองในหลวงเราชกาลที่บอกให้คนดีคือคนทั้งโลก จะให้มาเป็นคนดีคนประเทศไทยนะให้เป็นคนดีทุกคนไม่ได้นนี้ก็ใช่ตามหลักการ伊斯兰เนี่ยแต่จงให้คนดีในปกครองนี่ก็ใช่เช่นเดียวกันให้คนดีมีอำนาจและปกครองเพื่อทีาจะอะไรฮะเพื่อจะลดทอนความชั่วร้ายที่ยังเกิดขึ้นในสังค ม, มอันนี้เป็นนโยบายที่ดีมากนะครับอายาที่113มันรับอกต่อไปเวลาตอรก์กานูอิลลัลดีนอันลลาโมและพวกท่านจงอย่าจงอยา่าเวลาตอกานโนบเอียงไปพึ่งพิง นกเอียงไปหาอีละเลยดีนาาะโ s ล์มบรรดาผู้อาธรรมอย่านกเอียงเห็นคล้อยยอมตามชีริกของพวกเขายอมตามฟิสการทำช่วของพวกเขาเราตามการฝ่าฝืนของพวกเขาเพราะม a เช่นนั้นแล้วเฟตมัสสกุมุนานารกก็จะสัมผัสพวกท่า ก, ก็จะต้องลงนรกเช่นเดวกันัวไมละมมลุมินดนิลมียุมมลุน และพวกท่านก็จะไม่มีใครอู่นจากอัลลอฮ์มินดูนินละคือจากอัลลอฮ์มิเอเลียจะคอยช่วยเหลือพวกท่านเอเลียแปลว่าสหายแปลว่าผู้คอยช่วยเหลือซุมมาลาตุนซารุและพวกท่านก็จะไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนอันนี้อัลลอฮ์ก็ได้สัมทัพ บ, บอกกับบรรดาผู้สัทธาเนี่ยว่าอย่าน้มเอียงเเอียงเห็นดีเห็นชอบไปกับบรรดาผู้อาทักที่เป็นผู้ปกครองหรือคนอื่นๆ เป็นถึงว่าผู้ทําที่เป็นในนามของผู้ปกครองหรือไม่จะเป็นไม่เป็นผู้ปกครองก็ตามคนอื่นจากผู้ปกครองที่เป็นคนไม่ดีคนออกนอกลู่นอกทางคนชั่วแล้วท่านก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในหมู่พวกเขาแต่ให้จงดํารงเอาไว้อยู่บนหลักการอันเที่ยงตรงพเพราะเนื่องจากอะไรครับเพะเนื่องจากโลกนี้เนี่ยดํารงอยู่บนอยู่บนความเที่ยงตรงอยู่บนสัจธรรมที่มาจ่อเราไม่เคยโกหกใคร โลกนี้กฎธรรมชาติที่เราะวางาไว้เนี่ยไม่เคยโกงใค ร, ใครแบบไหนแบบนั้นดังนั้นเนี่ยก็จงอย่าอย่านกเอียงไปสู่การอาธรมอาธรรมเนี่ยตรงข้ามกับฮิกมารุ่นมุนตรงข้ามกับคำว่าฮิกมาตรงข้ามยังไงฮะรุ่นมุล น, นี่คือการวางอะไรบางอย่างอาธรรมเนี่ยนะฮะแบบไม่ถูกที่ของมันส่วนฮิกมาถืว่าโอเชยียนฟีเมลเียหการวางอะไรเนี่ยถูกที่ของมันอย่างเช่นตรอิบาราต่ออัลลอฮ์ถูกที่ไหมครับใช่ เขาทําไมอีบราฮิมเราสรุปต่างต่างนึกจะมาบอกเช่นนบีฮูดนบีซอเลมที่เราศึกษาไปแล้วนะฮะอยา่าเพมมีอั บ, บุดุลลอฮ์จงอิบราฮิต่อหรอนี่เป็นฮิกไม้ยอย่างถูกต้องด้วยจากอะไรมาละกุมมินเอไลฮินวยเนื่งจากไม่มีพระเจ้า อ, อนนื่ดนอกจากอัลลอฮ์ถ้าไม่ถ้าสักการะต่อผู้อืนอนน่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้เป็นพระเจ้าคู่กับอลัลลอฮ์แสดงว่ารุ่นมุนอาธรรมว่ามไม่ผิดไม่ไม่ถูกจุดแล้วะ ไปอีบาระต่อเขาได้ไงทงั้งที่เขาไม่ได้เป็นพระเจ้าเลนนี่ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่ามุสลิมเนี่ยไม่ไม่ใช่เป็นคนที่คแคบหรือเป็นคนที่อะไรนะทําไมต้องอิบาระต่อเลาะองเดียวเลยนี่ผมได้เคยพูดแล้วใช่ไหมอุซัมอีกหน่อยว่าทําไมมุสลิมไม่ยอมที่จะสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากเอาเลาะบ้างเลยถ้าจะยอมๆกันมุสลิมก็จะบอกว่าถ้ามีพระเจ้าอื่นนอกจะเอาเลาะเนี่ยเราพร้อมจะสักการะร่วมกันหร แต่มันไม่มีฮะอย่าว่าแต่มีหรือไม่มีเอาแค่คนอ้างหรือสิ่งใดอ้างว่าเขาเป็นพระเจ้าอ้างด้วยกับตัวเองเนี่ยไม่มีแล้วอย่าไปใส่ตําแหน่งให้เขาโดยไม่ชอบธรรมนี่เป็นความอาธรรมรุ่นมุนใช่ไหมฮะไปให้ของฉันเอาบอกเอาไปของคุญมันไม่ใช่ของฉันตําแหน่งพระเจ้าเนี่ยต้นไม้บอกว่าไม่เคยพูดเลยต้นไม้ถูกเอาไปกลายเป็นพระเจ้าเฉยก้อนหินแก่ถูกกลายเป็นพระเจ้าเฉยต้นหินมาบอกว่าน ی, ีา่ตำนไม่ใช่ตําแหน่งของฉันเนี่ยรุ่นมุน แล้วไปอบ า, ามันไม่ใช่มันเป็นรุ่นบุนแต่ฮิากาคือการวางอย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ยคืออย่าเอียงเอียงไปสู่บรดาอิรัน ล, ลดีนอซอลลัมบรราผูอธรรมผู้ที่อธรร ม, อรมนี่ไงอธรรมนี่คือคนที่มันไม่ถูกตาแหน่งแล้ว่ถ้าเอียงไปเนี่ยมันก็จะไม่อยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงเวลาตักานุอิั ล, ลีนซอละ ม, ะะมสตะกุม น, นะอเ อ, เอเียงไ้นเอียงจากหนทางฟสตากิมจงดารงอยู่บนเที่ยงตรง เอียงไปฝั่งหนึ่งฝั่งใดแล้วคืออะไรครับก็ตกกหลงทางลองทางอันเที่ยงตรงนี้ทางกลับไปหาอัลลอฮ์อันนี้เป็นจริงไม่ไม่ได้เป็นแค่นำมาทำนะเป็นความจริงว่าหนทางอัลลอฮ์เนี่ยฟัสตัตินคืออันอันเที่ยงตรงอย่าเอียงไปทางอธรรมอธรรมนี่คือจะเป็นขวาตกขอบใช้ตกขอบแล้วผมว่าเ ป, เ, ปเป็นเรื่องนี้ในสำคัญมากอิสลามเป็นศาสนาอันเที่ยงตรงอหมือนที่นายบิยูซุฟเนี่ยได้บอกทาริกันดินุบไกม์ศาสนาอันเที่ยงตรงเที่ยงตรงนี้ไงฮะไม่ว่าไปฝั่งหนึ่งฝั่งใด ฝั่งที่บอกว่ามีพระเจ้าหลายองค์อันนี้ก็เวอร์หรืฝันน่งที่บอกว่าไม่มีพระเจ้าเลยอันนี้ก็เวอร์ใช่ไหแต่ของเราก็คืออันที่ถูกต้องเนี่ยก็คือไม่มีพระเจ้าเลนอกจากว่าเพราะถ้ามีพระเจ้าหลายองค์นั่นก็จะบริาหารยังไงไม่มีนอกจากไม่มีใครที่มาอ้างนาเจากอเลอแล้วะลนะฮะแล้วบริหารโลกนี้มันจะมันบริหารได้ยังไงเมื่อในบียูซุฟอะลีซ่ามบอกอ่ะสมมติว่ามีพระเจ้าหลายองค์มันจะเป็นไปได้ไหมอัลบาบุนมุตัฟลิคุนอัคไหรลัมิลลาหุวาหิดมุฮะ เจ้านายหลายหคนในมิยูซุปจะใช้ภาษาเดียวกับกุ่มชนนะฮะใช้ภาษาเดียวคือเขาเข้าใจเขามีระบบกับเจ้าฝุนบุญนายมีกษัตริย์มีระบบสากดีนาไว่าง่ายๆประมาณนี้นะฮะรบุญพระอุพพลคืออารบาบนในมิยูซุปแปว่าถ้าเจ้าท่านเนี่ยพวกท่านมีเจ้านายหลายคนเนี่ยมันจะดีกว่าหรือมีอมตะองค์เดียวอามิลลาอามิลลาหุนวาฮินกว่าจะดีกว่าคิดแต่ต่างหกถ้าสมมุติว่าชีวิตของฉันแบบมี เจ้านายหลายคนที่คอยสั่งใช้คนนี้บอกไปขวาคนนี้บอกไปซ้ายคนนี้บอกไม่ต้องไปอยู่เนี่ยแหละแบบนี้ท่านจะวางตัวง่ายหรือยากหรือมันจะมันจะดีกว่าห ร, หรือเอาองค์เดียวเลยดีกว่าแ น, าน่นอนคำตอบก็คือคือฉันจะทำตามใครอะมันจะวุ่นวายมากชีวิตของฉันเนี่ยแล้วก็เช่นเดียวกันระบบที่เราสร้างมาในโลกนี้ถ้าบอกว่าอ้าวดวงอาทิตย์ขึ้นพระ เ, เ, เ, เจ้าอีกองหนึงบอกว่าหมุนไปอีกฝั่งนะึง พะบอกว่ามนตัวที่มีสองดวงเองมันก็จะมันจะไม่สิ้นสุดใช่ไหมฮะไม่ได้มีความเป็นเอกภาพมันไม่ได้มีความเป็นเนื้อเดียวกันดังนั้นนี่คือการศรัทธาต่อพระเจ้านเนี่ยที่ยงทุกเรื่องและการอิสลามนะฮะอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรง first t o k ถ้าในมีจริงถัดถูกสั่งใช้ f ฟ r s t t o k e กัมา y oyster คือดำรงดารงไว้ประคับประคองดารงแบบพอดีในทุกๆุเรื่องผมก็นําเสนอไป่ล้องว่อยนะครับว่าในเรื่องอะไรก็ตามเนี่ย และเปรียบเทียบได้ทั้งหมดเลยนะครับในเรื่องอะไรฮนะเรื่องการแต่งงานในเรื่องการการกินการดื่มแบบพอดีแบบอะไรที่มันอยู่ในทางเที่ยงตรงนะครับและอย่าตะเกนวูอิ น, นระดีนั่ซ่อละมูฟะตมาสกุบุนดาเพราะว่าถ้าไม่ตรงแล้วเนี่ยก็จะออกไปไม่ขวาก็ซ้ายออกไปไหนฮนะหลงทางเ้าเรียกว่าหลงทางถ้าไม่ตรงไม่มีทางนําไม่อยู่บนทางนาเนี่ยก็คือเฉียงไป พอหลงทางแล้วเนี่ยก็งลงทางไปสระที่ที่ไม่เคยไปที่ไหนที่มรรลุไม่เคยไปก็คือนรกอาสวรรค์นี่คือมรนลุเคยอยู่มาก่อนลกลับไปเนี่ยกลับไปสู่บนทางอาเชี่ยงตรนเะพราะแต่พรสงฆกุมนารก็ต้องไปเฉ่ยวกับนรกว่ามาลากุมมินดูนิไลมินเอาเดียก็จะไม่มีใครชื่อยเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุมมาลาตุนซุนว่าพกท่านก็จะไม่ได้รับการชุวยเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่จะฝากเอาไว้ถึงอะยะที่หนึร้บสามนะครับท่าอัลลอฮ์ในครั้งต่อไปคง ม, มา ต่อกันนะฮะในอายะที่ร14ยสิบสี่คัญมากเช่นเดียวกันเราจะบอกถึงการดํารงละหมาดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตมีความเที่ยงตรงแล้วก็มีหลักการมากมายนะฮะในหลักการละหมาดเนีย่ยที่จะสอนให้เราอยู่บนหนทางที่เที่ยงตรงหันหน้าไปทางกิบลัดเนี่ยก็หนทางที่เที่ยงตรงการที่เราเปลี่ยนให้เปลี่ยนทิศจากทิศใบตุนมักติสมิสซิทอักซอ น, นะฮะมาที่ใบตุ่นร้อนเนี่ยก็เป็นหนทางที่เที่ยงตรง ฉันก็ยั a รายอินชาอัลลอ a ์ข้างหน้าคงมาศึกษากนคูอฮะวสตัุลลซีลบลลฮลนบีนมุฮัมมัด